นโมจตักปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมจตักะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมจตักปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะยะจันาเนนะสเลนะสัญญเมนะดเมนะ มิติตุนิตอติจิวภูริสัตวาติธรรมกถาณโอกาสนี้จะได้รับประชานศิสัจนาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางให้การศึกษาและปฏิบัติ แด่ท่านผู้สนใจใครในธรรมทั้งหลายโดยการวางธรรมเป็นกิริยาให้เกิดกุศลทางหนึ่งให้เกิดปัญญาอีกทางหนึ่งโดยแท้ที่จริงแล้วสำหรับชัสนะ ลองอาจจะมาคิดว่าการฟังทำเพื่อให้เป็นบุญตามเจตนารมและตามทัศนะความเข้าใจของบุคคลหลายคนนั้นสำหรับอาตมาเองเห็นว่ามีประโยชน์น้อย ถ้าเราโคดสร้งางการหนวฟังทมเอาบุญเป็นว่ามีประโยชน์น้อยทำไมจึงคิดอย่างนี้ท่านทั้งหลายช่วยกันวิจัยวิจาร์บางทีอาตมาเข้าใจผิดก็ได้แต่อาตมาคิดว่าฟังธรรมเราหวังเอาปัญญามากกว่า คงจะดีกว่าเอาบุญเฉยเพราะเราก็ไม่รู้จักหรืออาจจะมีคนรู้จักในทีน่นี้อาจจะมีคนรู้จักคําว่าบุญหลายคนและก็อีกหลายคนนอกจากทีนี้อาจจะมีคนไม่รู้จักคําว่าบุญเพราะหลายคนเหมือนกันจึงคิดว่าถ้าเราฟังธรรม เพื่อเอาบุญ น, นั้ น, ค ง, น, น, งญญ น, นคงจะได้ประโยชน์น้อยถ้าเราฟังธรรมเพื่อปัญญานั้นคงจะได้ประโยชน์ทั้งได้ปัญญาและทั้งได้บุญด้วยมาคิดเห็นอย่างนี้จึงธรรมเทศนากันนี้จะไม่มีการอา ร, รัมพบทอา ร, รัมพกถาพูดออกตัวอะไรยืดยาว อยากจะจกจกตรงเป้าที่ต้องการทีเดียวตามทัศนะของตนสมมาก็ไม่ใช่นักเทศนักธรรมนักพูนักจาอะไรดอกจะนักนิ่งนิ่งแต่ว่ามาถึงโอกาสเขาจับเชิดก็ต้องเชิดบ้างเขาขับเพลงอะไรให้รำก็รำบ้างแล้วแต่ เหตุการณ์จำเป็นอาที่ว่า <c oughs> ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญานั้นคงจะดีกว่าฟังธรรมเพื่อเอาบุญแล้วก็คำว่าบุญนี้ถ้าในโอกาสหรือทามนเวลาพอก็จะอธิบายเรื่องบุญอาจจะตรงกันกับ ที่ท่านทาหลายเข้าใจหรืออาจจะไม่ตรงกันก็ได้แต่อย่างไรอย่างไรก็ถ้าจะมาก็ขออนุญาตเทศไปตามชัสนะของตนอาจจะผิดบ้างหรืออาจจะถูกบ้างหรืออาจจะทั้งถูกทั้งผิดรวมกันนั้นก็ได้ความสาคัญที่แพ้จริงนั้นคืออยากให้ท่านฟังด้วยปัญญาคือวิจัยวิจารคําเทศ ควรหรือไม่ควรถูกหรือผิดควรจะถือเอาเป็นสารประโยชน์แก่ตัวเราได้อย่างไรเพเนี่ยคุณว่าความเทศเอาปัญญาอย่างจะดีกว่าเอาบุญที่ละนะอาการของพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมนั้นเราพิจารณาดูตามตำราทีกล่าวไว้ก็เพื่อปัญญา ทำไมเห็นว่าจุดไหนตรงไหนที่พระองค์แสดงธรรมเพื่อให้พุทธบริษตัดรับฟังเอาบุญแต่กิริยาที่แสดงในอาการะทั้งสามอย่างที่พระองค์แสดงนั้นล้วนแต่ให้เกิดปัญญาอย่างอาการะที่หนึ่งแสดงธรรมเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมทิกุิรูปุล อันนี้ก็มองเห็นแล้วทมที่ควรรู้ควรเห็นในแต่ทมพิจรณาตามกระแสทำไปก็เกิดปัญญาเดยดความเข้าใจเนื้อทำเนื้ออัดเนื้อทรอม น, นั้นรู้ถึงข้อปฏิบัติควรจะปฏิบัติอย่างไรพอสองแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจรงได้นี่ก็ต้องใช้ปัญญา มีเหตุมีผลควรจะตรองตา่างใม่เกิดปัญญาข้อสามแสดงธรรมเป็นอัจจิจันคำว่าอัจจิจร์นี้ไม่ได้หมายความว่ามีอภิิหารอะไรกิลึกตีลั่นดำดินบินบนอะไรก็หาไม่ได้หมายความว่าผู้ ร, รับไปปฏิบัติ ตามย่อมได้รับประโยชน์โดยสมควรแก่การปฏิบัติปฏิบัติตามธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสอ น, นั้นได้ประโยชน์ปฏิบัติได้เพียงใดก็ได้ประโยชน์เพียงตามสมควรแก่การปฏิบัติของตนของตนแง่ยจึงหว่าแสดงธ <c oughs> ทำต้องการให้ฟังเกิดมีปัญญา ดีกว่าครับเอาบุญช่ชีวิตแต่คำว่าบุญนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะชี้แจงคำว่าบุญต้องเบื้องต้นจักเล็กน้อยที่เราทั้งหลาย <c oughs> เคยปรารถนากันต้องการบุญอยากได้บุญทำบุญทำบุญถ้าจะถามว่า บุญคืออะไรเราก็คงจะเข้าใจไม่ตรงกันได้สิ่งใดที่ต้องการปรารถนาก็คือถือว่าเป็นบุญบางคนก็พูดไปแง่หนึง่งบางคนก็พูดไปแง่หนึง่งแต่คำว่าบุญตามมาเข้าใจว่า เดิมที่จริงๆเนี่ยคงจะไม่ใช่ภาษาไทยนะคงจะยืมมาจากต่างถิ่นต่างแดนที่ติดมากับศาสนาแต่แรกภูมิภาคเราตรงนี้คือศาสนาพราหมณ์ที่มีพรามมาตั้งรกราอยู่ที่ปัจจุบันเ ร, เรียกว่าประเทศกัมพูชา เคยแผ่ศาสนาพราวรสก็กระจายไปทั่วแดนตรงนี้ก็ใช้คํำว่าบุญนี้ต่อมาเรื่อยๆจนภายหลังศาสนาพุทธแผ่ตามมาทีหลังก็ใช้คํำว่าบุญอย่างเดียแต่ความหมายของคําว่าบุญในพุทธศาสนานี้เคยมีผู้แปลหลายท่านแปลว่าความสุขบุญคือความสุข อาตมาก็พบหลายตำราและก็ได้ยินกันกหลายคนยังไม่ยอมรับโดยสิ้นเชิงแต่ก็ยอมรับโดยปริยายคำว่าบุญคือความสุขมันยังไม่สนิจใจมาคิดเทียบดูเรื่องอื่นไปแล้วมันมีข้อแยง้งคน พวกชาวประมงในสระจับปลาเขาไปจับปลาได้มากเขาก็มีความสุขสบายใจดีใจบุญหรือนี่นางเชียบและอีกเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนกว่านี้นี่ก็เคยได้ยินคนรุ่นพี่เขาเล่าใหา้ฟังเขาเล่นโบก เล่นบอกนั่งล้อมก็บอกบกหลายคนนั่งหันหน้าตรงนั่งพับเพียบหรือขัดสมาหันหน้าตรงไปหาก็บอกบอกนั่งไม่ได้ก็ห ล, ลายคนต้องเอียงเอียงข้างนั่งยองบ้างพับขาข้างหนึ่งบางเอียงกอยเงี้ยหูฟังคืนหนึ่งน้อยเกินไป รู้สึดกว่าน้อยินไปเขามีความเพลินมีความสุขมีความสุขในการเล่นุกปวดปัสสาวะปวดหนักปวดเบาอไอเล็กน้อยๆก็กลันหายไปเอง น, นั่งยองๆก็นั่งได้ทั้งคืนต้องมีสมาธิ โยมอาจจะคิดว่าสมาธิอะไรไปนู่นในกระบอกบกสมาธิแน่นอนสมาเชื่อเพราะอะไรจิตใจมันจดจ่ออยู่แต่กับเสียงที่ไอเม็ดมะขามันบิ่งในกระบอกเงี่ยวฟังไม่ได้คิดไปอื่นไม่มีวอกแวกแต่สายไปเรื่องอื่นจิตมันแน่วแน่ในกระแสเองอ๋อ ความตั้งมั่นแห่งจิตความตั้งมั่นแห่งจิตชื่อว่าจมามั่นในอะไรก็ตามตียังไม่พุดถึงแต่มันมีความมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็ชื่อว่าจ ม, มาแล้วเขาเขามีความสุขมีเอกกตามันเป็นฉนะ่รนั้นถ้าเรานั่ง สมาธิโดยตั้งใจสมาธิเป็นธรรมอย่างที่เรานั่งคือหนึ่งนั่งชาเดียวไม่เตือนเอียรยาบทคงจะทำได้น้อยคนกสุดถ้าทำได้ส่วนใหญ่แม้แต่่วโมองเดียวนี่ก็ล้าบากแนละ้วจะทนไม่ได้ แต่เขาน่ะคืนหนึ่งรู้สึกว่าน้อยไปมันติดติดกับมันมีความสุขนี่ก็คือความสุขจะเป็นบุญด้วยเล่นโบาากไปจับปลามาอกี้แล้วเล่นโบกสองเรื่องเนี่ยเทียบกันดูที่ท่านแปลว่าบุญคือความสุข น, นายังไม่จริง เมื่อไม่สนิใจอย่างนี้จิตใจมันไม่ได้ตายอยู่ตรงนี้มันดิ้นตัวเองหาคำตอบอีกไม่รู้จักแปลด้วยตนเองได้ไปพบปราชญที่เขาแปลออกมาเขียนเป็นตำร า, ตราว่าบุญคือความสะอาดความสะอาดและอธิบายว่าถูกต้องชอบทำนิจุใหญ่มาก ความสุขความเปลินความสบายอะไรที่มันเกิดจากความสะอาดถูกต้องนั้นชอบธรรมนั้นคือว่าความสุขมาจากบุญถ้าชนะคำว่าบุญก็คือความเมื่อกี้อาตมาไดาย้ยกรับอุพาติดบทหนึ่งว่าถกแปลเป็นภาษาไทยว่าคมซั คือบุญของผู้ใดฟังไว้ดีแล้วด้วยทานด้วยศีลด้วยความสมรวมและด้วยความปุตตนคุ้มทรัพย์อันนั้นชื่อว่าฟังไว้ดีแล้วใครใครไม่อาจะจญได้อันนี้ทัานปูในนที่ฉาทิฏฐิที่นี้เรามาปฏิบัติธรรมทุกทุกแบบ เป็นการสร้างบุญคือสร้างข่มซัคุม้มซับคืออะไรคืออุปนิสัยฝึกหัดเนี่อมาคุมท้ายจะเป็นทานก็ดีเป็นจิ๋นก็ดีเป็นการ่าสํารวมทานจิ๋นําลองและการฝึกมาคุมท้ายโดยการฝึก ปึกหัดปฏิบัติขัดเกลวสชั้นดานของตนให้ดีขึ้นดีขึ้นไอความดีนี่แหละมันเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยฝังไปในตัวชื่อว่าขุมทัพเ์นี่ขุมัพ์คือบุญกิริยาอันถูกต้องดีงามสะอาดหมดจดปราศจากมลทินโทษนั่นแหละคือบุญจะเกิดจากอะไรก็ตามจะเกิดจากด้วยการถวายทาน โดยการรักษาสินโดยการภาวนาปฏิบัติฟังธรรมนี้ก็จาก่างเป็นกิริยาบุญทั้งนั้นชื่อว่าบุญญิปิยาท่านทั้งหลายคงเคยได้ทราบและเคยได้อ่านเคยดย้ินพวกกริยาของบุญสิบข้อทานใหม่สินละใหม่ภาวนาใหม่อภิญญะณใหม่ ธรรมเทสนาใหม่ธรรมจัวนาไมธรรมจัวนาใหม่ยวยาวัจะใหม่ปฏิทานาใหม่ปัฏานุโมทนาใหม่ล้วนแต่เป็นกิริยาบุญท่านมีใหม่ใหม่พอถึงข้อสุดท้ายไม่มีใหม่เป็นชิชุชุกรรมแต่ก็รวมอยู่ในกลุ่มกิริยาบุญติด ลุงเนี่ยมันมันแปลกอยู่ตรงนี้ทําให้เราคิดทําไมจึงเป็นคิดชุกชุกรรมแปลว่าทําความเห็นให้ตรงนี่ก็ตัวปัญญาคิดไปคิดมาปะลงเอ่ยกันกับมรรคแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นตรงคิดชุกชุกกรรมคือความเห็นตรง ตรงต่อธรรมตรงต่ออัตตรงต่อสภาวะความจริงทิฐุชุกรรมนี้เป็นตัวปัญญาคุมกิริยาทั้งเก้าอย่างคุมกิริยาทานคุมกิริยาสินคุมกิริยาภาวนาแม้แต่ปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ยังจะต้องมีกิริยาของทิฐุชุกรรมคือปัญญาคุมด้วย ทำไมไเรื่องทานเรื่องสิณเรื่องอื่นๆก็ว่ากันไปแอะเรื่องนอกๆ ก, ก็เข้ามาแม้แต่เราปฏิบัติภาวน้าฟังธรรมต้องอาศัยพิทุกุกรรมมาคุมโดยถึงจะเป็นไปให้ถูกต้องเรียกว่าบุญคือความสะอาความถูกต้องทบกัก ที่ว่า <c oughs> ความสุขเกิดจากการทำประมงเนตัาจับปลาความสุขเกิดจากการเล่นโบกไอนี่มันเป็นมิจฉาสมาธิมันจุกการเล่นโบกมันเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิผิดสมาธิเหมือนกันแต่ผิด ถ้าเป็นสัมมาสมาธิมันจบ ด, ด้วยการลดละกิเลสความเห็นเก่ตูมันเป็นมิจฉาสมาธิมันเป็นการเพิ่มเข่าขางตูเพื่อเพื่อตัวเอง เพื่ออยากจะฟังไอเสียงกระบอกไนไอเสียงนกระบอกนั้นนอยมันอย่างไรแล้วก็ตัดสินไปอย่างไรจะถูกแล้วจะทำการพนันแนละ้วก็มีการแพ้การสนะเพื่อ <c oughs> เพื่ออย่างใดงเป็นบุญ <c oughs> โดยความบริสุทธุจงที่เรียกว่าบุญตามนยยะทาง การปฏิบัติฉะนั้นคือบุญเพื่อลดเพื่อละเมื่อมันลดมันละแล้วก็มันก็หมดไปซึ่งมลทินโทษก็สะอาดยาให้ทานเนี่ยมันลดละมันลดละความเห็นแก่ตัวคือความเจรญนี่นเห็นแล้วใช่ไหมรักษาจิตก็เหมือนกันลดละความนองของฉันดาน ให้ความคิดน้นองออกข้ามรั้วข้ามกำแพงที่กั้นจะเป็นชิ้นห้าอย่างเมื่อกี้ก็าตามดีชิ้นเท่าไรก็ช่างเถอะไม่ต้องนับจำนวนแต่เรามาํำรวมคือระวังเนี่ยว่าเป็นคุ้มสั์คือตัวระวังความํำรวมจำรวมกายวาจาในตำรา บ, บอกว่า การํารวมกายว่าจะให้เรียบร้อยชื่อว่าสิ่งความํารวมนี่แหละคือเป็นรั้วกั้นความขนองขนองไม่ล่วงละเมิดติขาบทหนึ่งสองสามที่้าก็าไปนี่หไงถ้าขนองมันล่วงละเมิดทาไม่ขนองกั้นความขนองไม่ล่วงละเมิดก็เป็นจิงทนั้นอที่เรารับสินมะอย่างพันเตเมื่อจะกี้นี้เป็นกิริยา ไอ้ตัวเิ้นจริงๆนะยะว่ามายังพันเตปานาะทินะไม่ว่าก็ตามตัวการกระทาตัวการกระทากระทาคือตัวปฏิบัติเราลองนึกดูเมื่อพระพุทธเจ้าไปแสดงปฐมเทศนากันแรกไปโปรดปัญญวกี มีใครอารัธนามะย่างพันธุ อ, อ่าไม่เห็นมีแล้วก็มีใครอารัธนาพรมมาจารโลกาอ๋อไม่เห็นมีแต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมดัและปัญจวคัคคีได้ชินมาจากไหนเป็นอื้นฐานสําหรับรองรับ ึงอธิกุชนเราลองคิดเทียบดูพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่รองรับจึงน้ำหนักทุกอย่างนี่น้ำหนักตึกหลังนี้ก็ดีต้นไม้ก็ดีตัวเราก็ดีสัตว์อะไรทุกชนิดก็ดีวัตถุใดๆก็ดีอยู่บนโลกบนแผ่นดินนี้มันไม่ตกไปไหน ก็มีแผนดินนี้เป็นพื้นฐานดอกธรรมะบุญกุศลมรรคผลนิพพานมันต้องมีพื้นฐานดอกซึ่งอภิกุศลดอกคือสินเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็ต้องมีแล้สินคืออะไรและเป็นบุญทางหนึ่งด้วยแต่ทำไมปัญจวัคคี ไม่ได้มาอย่างพันเตพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนปานาจินาระแต่เขามาศีลมีศีลมาจาังจึงได้บรรลุธรรมถ้าไมมีศีลเป็นพื้นฐานรองรับจะได้บรรลุธรรมได้อย่างมัดแปดก็ต้องมีศีลด้วยไตรชิกขาก็มีศีลศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างนี้มันต้องพร้อมกันมันต้องสมดุลกัน มันถึงจะเป็นไปได้เรามีขาข้างเดียวจะเดินมันต้องมีสองข้างถึงจะเดินไปได้เนี่ยของมันมันมันเป็นมันเป็นกุญแจใจชิคขาก็มีสินมีสมาธิมีปัญญาที่ น, นับถ้าสินสมาธิปัญญานี้นับชื่อตัวสินตัวสมาธิตัวปัญญาจริงๆนะตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไร ไม่มีชื่อแต่กิริยาทั้งหลายนะมันจะดงออกถึงชื่อเลยสมมดว่าชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นกิริยาที่จารวมระวังโทษบาปทั้งหลายชื่อว่ากิริยาของสิงกิริยาอันใดที่แน่วแน่ในกระแสแห่งธรรมมีจุดเดียวอย่างเราทั้งหลายฟังธรรมงานี้นะ จิตใจไม่ได้บอแวกใจสายไปเรื่องอื่นมันจับในกระแสคาคําพูดก็ชื่อว่าสมาธิแล้วเข้าใจอัดเข้าใจทำเข้าใจข้อที่จริงในเหตุให้ผลก็ชื่อว่าปัญญาเรียกชื่อตามกิริยาแต่ตัวจริงๆไม่เรียกประดังใหจใจมีพร้อมก็แล้วกันมีความรู้จึกอย่างนั้นมันดำอยู่ที่ใจดวง ดงอยู่เพราะฉะนั้นขุมทรัพย์คือกิริยาบุญที่ฝังไว้ในชั้นดานของเราทุกคนที่เราฝึกหัดอระคุมทายว่าด้วยการฝึกตนฝึกให้ทานฝึกรักษาศีลฝึกสวดมนภาวนาฝึกปฏิบัติทุกจริงทุกอย่างอ่อนน้อมถ่อมตัว พิริยาก็มีสุภาปมดุลอันนี้แหละฝังฝังอยู่ในเชิงดาน เ, าเป็นขมจับอุปนิสัยอันนี้แหละจิตสันดานไปทุกพพทุกชาติแล้วก็พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆเราเพิงสังเกตดู คนเรากับสัตว์เนะี่ยยาบหยาบเมื่อกี้นั่งคุยกับโยมอนเราพึงเรื่องเรื่อ ง, <c oughs> องขังคบอยู่ใจธรรมะข้างคบเขาก็เป็นสัตว์ที่มีธาตุสี่ขันธ์ห่างเหมือนกับเราคือมีกายกับใจเช่นเดียวกัน อ่าแต่ความรู้สึกในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโทษนี่มันแตกต่างเนี่ยมาจากมาจากอุปนิสัยของเขาคือขมซ้ำขมซับคือบุญของเขามันมีน้อยมากคาขอกอยู่ใต้ธรรมาตกาลคืนวันพระ ีิวัดออกอาตมาฝนก็ตกพรำพรำพรำพำพระประเทศโยมก็ฟังไปข้างคคกก็ร้องออดอๆดออเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าพระเทศเขานึกอยากร้องเขาก็ร้องออดอดไปมันอยู่ใจธรรมาดเพื่ออะไรเพื่อแมลงตกจากไฟข้างบน ไฟตรงนี้มันสว่างมากสําหรับพระจองคําำีเทศถ้าเขามาแมลงก็มาตอมไฟตรงนี้ก็จบพืชขังคบก็ออไปจับมากินปินแล้วว่าวันมาอยู่ใต้ธรรมานแต่ลาแมลงตัวหนึ่งตกมาก็โดดไปจะครุบปีนโอุบาจก อ, อุบาสิกาก็นั่งฟังธรรมไปทำหน้าที่ของตนไปพระก็ทำหน้าที่ของท่านไปเทศตาย แล้วก็ผลก็ทําหน้าที่ของมันไปตกปรำพรำพรำเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่ไปคนละอย่างแต่นี้เรามาดูขางคบกับคนเขาก็มีท่าตีขันอ้าเหมือนกันเกลียดทุกรักจุกเช่นเดียวกันรู้จากอะไรอะไรคล้ายคลึงกันแต่ค น, นรู้มากกว่านั้นและดูดีกว่านั้น รู้ถึงบาปถึงบุญถึงกุลงถึงโทษคังคบเขาไม่รู้ถึงขนาดนั้นเขารู้เพียงแค่ขอบเขตของเขาเท่านั้นนี่แหละขมทรัพย์ของเขาไม่มีเหมือนกับอุปนิสัยอุปนิสัยที่สะสมอบรมมาไม่เหมือนกันปราะฉะนั้นกรรมจึงจักให้คนมาเกิดเป็นคนออจักที่ เขามีอุปนิสัยในทางนั้นเขาก็แปลกมีธาตุจีคือหน้าเหมือนกันแต่ว่าการรับผิดชอบแบบความรู้สึกจิตปัญญาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็ตามเวลาใดไรก็ตามเราทั้งหลายรักษาความปกติของคนรักษาคุมทรัพย์ของเราโดยการทำบุญ รูปแบบจะแบบไหนก็ตามทีไม่ต้องไปเลือกแบบไหนเวลาใดควรจะทำได้อย่างไรก็ทำแล้วก็มารวมจุดอยู่ที่ว่าทำเพื่อชำระจันดาลทำเพื่อลดละปล่อยวางความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นตัวกิเลสเอาขอยกรูปเปรียบอย่างนี้ไปแล้วกันลองคิดตามหนยผงซักฟอก จะเป็นอะไรแฟรกรีดโอโมโอเรียกไม่ค่อยถูกทงซัพฟอกยี่ห้อไหนก็ตามทีเอามาซัดแล้วผ้าสะอาดใช้ได้ไม่จมเป็นจะต้องระโฆษณาโฆษณาเท่าไหร่ก็ตามแต่เอามาซักแล้วผ้าใหม่สะอาดใช้ไม่ได้ จะโทษจะผมฟักซอบอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องพร้อมโดยกิริยากิริยาอย่างไรเอาหนึ่งผมจบับตอกสองจักอย่างถูกวิธีทบหรือขยี้ขยำอะไรก็แล้วแต่น้ำสะอาดนี่สามอย่างนี้อุปกรณ์มนทินที่ติดานะก็สะอาด หลุดรอยออกนี่คือกิริยากิริยาทำบุญอย่างถูกต้องจะเป็นทานเป็นกินเป็นชาวนาเป็นอปจิยญกรรมเป็นการฟังธรรมหรือแสดงธรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่เพื่ออย่างอื่นเพื่อลดละความเห็นเพื่อสติ ป, ปัญญา ถ้ามีสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วความลดละความเห็นแก่ตัวก็เกิดขึ้นคือลดละกิเลสในพุทธศาสนานี้จุดหมายปลายทางสูงสุดก็คือละกิเลสได้หมดจริงๆ เ, เราฝึกหัดอบรมเรียกว่าอืมฝึกตนในทางสร้างความดีจะเป็นฌานเป็นสินเป็นภาวนาประตามที ฝึกหัดเพื่อลดละปล่อยวางติเลกกัรหาอาวิชชาคือความเห็นแก่ตัวนี้เอความเห็นแก่ตัวในตัวข้างในความเห็นแก่ตัวกับในตัวข้างนอกคือทรัพย์สมบัติทุกอย่างนอกกายเรายึดมาเป็นเราเป็นของเรามันเห็นถึงขนาดนี้เพระฉะนั้นการทําบุญทุกอย่างเพื่อลดละ แม้สลระจับข้างนอกหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ตัวคนเดียวแต่ะละเพื่อปรารถนาต้องการแรกเปลี่ยนสะอาดไหมผงซักฟอกแล้วซักอย่างถูกวิธีแล้วแต่น้ำคลำัาสะอาดไหมสะอาดไม่ได้เพราะน้ำคลำัา มันต้องประกอบด้วยองค์ทั้งสามซัดย่างถูกวิธีพงพ้อมซัดปอกสามารถกัดมลทินออกได้กับ น, น้ำสะอาดนี่จิตใจที่ทำบุญทุกอย่างเพื่อสละไม่ใช่เพื่อแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมันมันอาจจะนี่เนี่ยตัวเนี่ยเป็นตัวเนี่ยเรียกว่าพิทุทกทุกกรรมความเห็นตรงเห็นถูกมาควบคุมการกระทำ ม า, มาควบคุมมายะามายะฐานะใหม่ศีลใม่ภาวนาใหม่ต้องมีจิตทุกข์กรรมคบคุมพราะฉะนั้นการแม้จะปฏิบัติภาวนาก็ดีแต่เพื่อเพื่อมีอภิญิาหารเพื่อรู้อะไรอะไรจอดถึงรู้บัตรรู้เบอร์รู้หัวรู้รัตรีอะไรไปโน่นไม่ ไม่ใช่เป็นการชาระเลยไม่ใช่เป็นการก่อปิติตองสักแปบสักฝงแต่เป็นน้ำครัมต้องการจิงตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามต้องการเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ตามมันเป็นการแลกเปลี่ยนไม่ใช่เป็นเรื่องบุญเพราะฉะนั้นบุญที่ท่านแปลว่าคือความสุข ก็ถูกแต่ว่าไม่ชนิทใจ ย, ยังไม่สมบูรณ์ที่ไปเพราะความแปลวะ่าบุญคือความสะอาดถูกต้องชอบธรรมนี่แหละจุใจมากมความถูกต้องชอบธรรมนี่แหละทำให้เกิดความต่างและความสะอาดนี่ก็คือความถูกต้องนั่นชอบด้วยคําด้วยชอบด้วยคําสอนของศาสนาเป็นบวิทยาสมบูรณ์เป็นอย่างนี้ เอออืมเพราะฉะนั้นการฟังทมก็ดีการทาพิธียบุญใดๆก็ดีเพิ่งจังเกตดูที่ความรู้สึกความรู้สึกต้องมีการควบคุมไปด้วยทิทุขุกัม ถ้าขา ด, ดชิดชุชุกกรรมแล้วความเห็นมันจะผิดไปเป็นมิชุชุกกรรมอย่างที่ว่าอาตมาเคยเคยพบเคยพบและเคยเอามาคิดถ้าไม่พบก็ไม่ได้คิดเมื่อกี้ก็เล่าบอกโยมที่ไ ป, ไปนั่งพักตรงนั้นมีตาผักขาว ก็ไม่ตาดอกการกลางคนอาตมาเรียกว่าดาบทเขาไปจัดที่พาวนานาย่านชุมชนในงานงานงานพระราชทานเปลิงศพอาจารย์สามถนนข้างทั้งสองข้างจัดโรงทานและต้องไปจัด วางแคร์ติดกระโรงทางนั่นนงเฝาวนาเพื่อแสดงออกไอคนอื่นเขาอาจจะจันเขาเลื่อมใสายศรัทธาหรืออะไรยังไงไม่รู้ดอกแต่กิริยาที่ทํานั้นเราก็อ่านออกไปแล้วจะบาปบุญยังไงก็ไม่รู้เราเอาออกมาแกเพื่ออะไรอย่างไรถ้าเพื่อความสงบความวิเวก ก็เปลี่ยตัวไปแม้ไปในงานนะักก็จเปลี่ยนตัวไปอยู่ก็กล่าวกำแพงแกะโทนไม้ข้างน อ, อกกำแพงอะไรก็มีจังหวดมีชีวิวาวิเวกทั่วไปแต่ทําไมจึงไปออกแบบในอย่านชุมชนเ<าง>ป็นน้ำผ่าวนะหนากระ อ, อวดแล้วก็แบบนี้ถ้าเราไม่มีทิฐุชุกกรำรก็ไปเห็นแล้วอ่านไม่ออกก็มีแต่ชิโรราบกราบไหวเท่านั้นเลย อาจจะ่างถ้าเรามีทิฐิทุกรรมไปเห็นแล้วเห็นว่ามันมันไม่เหมาะสมถ้าเป็นตัวเราก็ไม่อาจทำอย่างนี้ได้มไม่เหมาะดังนั้นการอธิบายบรรยายธรรมวันนี้เล็กๆน้อยๆผสมประสัยกันไปต่ขอฝาก นำไปปฏิบัตินำไปพิดวิเคราะห์เจรนาะทบทวนตรวจสองดูความประพฤติของตนเองอย่างไรมันจะถูกต้องอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความลดความละเพื่อปล่อยวางจุดหมายปลายทางคือความพ้นุจะไปพ้นทุกข์ได้ต้องไปที่ละกา้าวที่ละกา้าว คือการปฏิบัติเหมือนเราเดินบนพื้นผิวโลกจะไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นเราออกจากที่นี้ไปก้าวแรกก็ห่างจากที่นี้ไปก้าวหนึ่งไปชูสนามหลวงออกจากนี้ไปก้าวหนึ่งก็ห่างจากที่นี้ไปก้าวหนึ่งแล้วก็พ้นพลอยได้มาก็คือ ใกล้ไปสนามหลวงเก้าหนึ่งด้วยเราเดินไปสองเก้าก็ห่างจากนี้ไปสองเก้าแล้วก็ใกล้ไปสนามหลวงสองเก้าด้วยมันผร้อมพ้อยได้บันในที่สุดเก้าสุดท้ายก็คือสนามถึงแล้วนี่แหละเดินตามเส้นทางของพุทะตามเส้นทางาพุทธจะช้าหรือเร็วไม่สำคัญสาคัญอยู่ที่ว่า เดินให้ตรงทางที่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็คือหนึ่งไม่เดินไปยืนอยู่ที่ต้นทางแล้วไม่เดินไปสองเดินไปหน่อยหนึ่งแล้วต้องไม่เดินต่อสามออกนอกเส้นทางทั้งสามอย่างนี้อย่างใดยอย่างหนึ่งไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสจะถึงสนามหลวงได้ นี่ให้ขอบคิเป็นการสิเกียรเพราะฉะนั้นการรับฟังทหวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาจะเทศให้มากวา น, นี้ไปตัวเขาหักคะแนนจึงขอยุติเพียงแค่นี้ขอความสุขสวัส ด, ดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายทุหนาทุกท่านทุกคนเธอนะ คนที่จะรับพรเป็นสามาัคคีประชราบาลาีจะบอกกล่าวเล่าแจ้ง <c oughs> ในการประพฤติเป็นไปในความเคลือ่อนไหวของอานุมาที่ง <c oughs> เป็นไม้ไตรฝังเต็มทีแล้วั น, นี้ อัดปัจจัยที่เป็นมูลค่าใครจะถายมาจากที่ไหนอย่างไรต้องานทุก ว, วันนี้มีจุ ป, ประสงค์ที่จะทำบุญต่อของอีกสองจิดหนึ่งก็บรรุงการศึกษาและหน่วยงานต่างๆในสอตงตำบลตำบลที่อยู่กับตำบลที่เกิด คือตำบลทมอเป็นตาบลที่สั่งชาติเกิดซึ่งติดกันกับตาบลเชีเยงและตาบลเชีเยงที่อยู่ปัจจุบันหน่วยงานสถานศึกษาและสถา น, นีอนามายัยอะไรตําบำรุงปีรอบปีครั้งหนึ่งรอบปีครั้งหนึ่งแล้วก็แจกทุนแก่นักเรียนผู้ขาดแคลนในโรงเรียนสองตำบลทุกโรง อีกส่วนหนึ่งคิดว่าครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังก็กมุ่งโรงพยาบาลช้วยอาจช่ว ย, ยสร้างจึกโรคมะเร็งแล้วก็มูลนิธิโรคมะเร็งตรงไปปัจจุบันนี้ก็ส่งไปเรื่อย ตามที่อัดปัดใจมีคนถวายมามากน้อยอย่างไรก็สมทับต่อเสียการไปโดยเฉพาะส่วนตัวไม่มีที่จะเอาไปาได้เล็ดใดน้อยก็ส่งไปสตตักสจุดนี้ไม่มีที่จะเอาไปหมดที่แล้วก็แม่แต่ร่างกายนี่ก็มอบให้โรงพยาบาลทำพทิธีกรรมเอาไ แรกก็บอกในโรงพยาบาลือค้อนแกน่นต่อเมื่ออายุเราแปดสิบแล้วเขาบอกเลิกเลิกครับจะเอาไปไหนเนาะ อ, อัดปัดจจัยเราก็รู้แล้วอะทรงอย่างนั้นทรงอย่างนั้นมีที่ไปแล้วแค่ร่างกายนี้มานตายไปแล้วทำอืไรที่เก่าเกคบิก็บ พิจถูกก็ไม่รู้แต่ก็ได้ทำตามฝังคิดตายแล้วสู้กไก่ไม่ได้ไก่มันยังมีค่ากว่าไก่ตัวหนึ่งเนะ่ะเขาเอาเนื้อมันมากินแต่คนเราตายแล้วใครจะถิดมัหมดหมดคุนทางไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามอบให้โรงพยาบาลเขาเอาไปศึกษา ได้ความรู้จากร่างกายอันนี้ไปสาคนอื่นต่อไปได้นะ่นมากและก็เคยไปเห็นที่ในน้ำคงคาเออมีแรงมีแรงบานดาไม่มีแล้วจะเมื่อเราเป็นเด็กก็ไม่เด็กแล้วนุ่มแล้วยังมีอยู่เยอะเพะว่าตัวควายตายด้วยโรคระบาดตามทุ่มตามป่ามีแรงได้จริง ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วแล้วไม่มีอาหารกินนักก็บินไปอยู่ที่อาจายแห่งแม่น้ําคงคาศพกูเปลื้องน้ําลอยมาติดแกงตรงนั้นติดติดดึงเอามาส่งการกินตรงนั้นแลว้วก็อันนี้นี่เห็นหนะักที่ไม่ได้เห็นแต่ได้ยินก็พูดว่าที่ทิเบตที่ทิเบตเขาทำอะไรทำอะไโยนให้จัตกินเดิ จำเป็จเขาจะกระดูกไปเผาตัวเนื้อให้จัด ก, กินจะมามาคิดของเขาไอ้คนไร้ประโยชน์หมดหมดประโยชน์จริงๆแล้วตายยังยังได้ประโยชน์บ้างคนตายได้จัด ก, กินพวกเรานี่แหละมีแต่เผาทิ้งเผาทิ้งไม่ได้ประโยชน์ลเลยมอดร่างกายใไฮโดมแจลบานคงจะมีประโยชน์บ้างนะนะเราแน่นเลย กายก็หมดคขาดขาดนะถ้าได้ประโยชน์กันพอแปชิปแล้วเข้าไม่เอาจะเไป็นไงนนาะถามไปที่โรงพยาบาลกุลารับเท่าไรก็รับที่เขาไม่รับก็คืออ้วนเกินไปผอมเกินไปแล้วก็เป็นโรคติดต่อเสืออุปัติเหตุร่างกายและ ศึกษาไม่ได้ไมีรับไม่ได้ถ้าอายุไม่จํากันถ้าอยู่ในปริมณฑลแล้ว่อตายแล้วรายนานาเขาก็ไปรับทันทีอันนอกปริมณฑลอย่างต่างจังหวัดไกลๆอย่างจังหวัดสุรินทร์ใครี่ชมเขาภายในยันสี่ชั่โมงเออก็พอทําได้เลยยืนดูมาทําที่ไหนทำให้ทางนี้ผมคิดว่าคงจะได้ ไปเป็นอะไรเป็นเป็นอาจาร ย, าย์ใหญ่นคุณดไปขอถูกเนะไม่รู้แล้วบางคำบางอย่างว่าไม่ถูกแก่ไปแล้วมันมันพูดยากนะบางทีของอะไรที่รู้อยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้แต่เนี่ยว่าไม่ถูกเวลาเราไม่คิดเราไปโโปรโน้น เจนพู ด, พ ด, พดไมุู่ดเอาละตอนนี้ก็ขอ <Yeah. S 1> เลิอกากันก่อนเนาะขอเจริญกรลาไปก่อน